ได้หนึ่งชั่วโมงลองคิดดูนะเราปล่อยให้กิเลสมันมีอำนาจต่อจิตของเราพาเราเดินมาค้นชีวิตถึงเวลาที่เราจะให้สติยุดคืนให้มันเดินด้วยสติแค่หนึ่งชั่วโมงนี่โอ้ยมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแล้วเรายังต้องเวียนไห้ใตเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติมันมาอยู่กับเราแล้วเนี่ย ตั้งแต่เราจำความได้ให้เราทั้งเยอยทยานสร้างนั่นท่้างนี่ทำนั่นทำนี่แสวงหานั่นหานี่เยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายไม่ได้ให้อะไรเราเลยให้แต่ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดมาจากการแสวงหานั่นแหละแสวงหาอะไรได้มายึดครองแสวงหาอะไรได้มายึดครองแล้วก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเรียกว่า จิตตังดันตังอาวิตังอภะหูลีกตังทุกขาทิวาหังโหติภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมไม่ทำให้มากจะนำทุกมาให้ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเชื่อใครลนะ่ะจิตตังดันจิตตังภาิตังภิกเเวภาวิตัง พระอุรีกตังสุขาีิวาหังโหติภิกษุตั้งหลายจิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วจะนำสุขมาให้การเจริญภาวนาที่พวกเรากำลังปฏิบัติกันอยู่ทั้งนั่งทั้งเดินเนี่ยมันเป็นที่มาของความสุขทุกชั้นถ้าเรายังอยู่กับความเป็นมนุษย์อยู่ในกรรมโพกีครองเรือน อยู่แบบปูตูชนคนสามัญสติและสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนอยู่ก็จะเป็นเครื่องช่วยกั้นกระแสของการกระทบของเราไม่ให้เราไปทําบาปทำอาคูโสนเมื่อจิตมีสติมีสมาธิมันก็กั้นเรากับโลกเวลาจะกระทบกันเนี่ยมันก็ใช้อยู่ในโลกนี่แหละทํางานทําการอยู่กับชีวิตในความเป็นจริงนั่นแหละ นางสาวกนางกนายขอมันก็เป็นนางสาวกนางกนางนายขออยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเอื้อมันจะมีความละอายมันจะมีสติมันจะมีการตรีตรองมันจะมีความพิจารณามันจะมีก็ เ, เรียกว่าโยนิโสมนสิการจะมีการกระทํามีความคิดแยบคายมีความแยกแยะด้วยอำนาจของสติที่เราฝึกฝนอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝน เราไม่ทําอย่างนี้ความสุขของความเป็นมนุษย์จะหายากมากหายากมากทีนี้ถ้าเราฝึกฝนเข้าไปเรื่อยเรื่อยเร่อยนอกจากสุขของความเป็นมนุษย์โดยปกติสุขที่เหนือจากการเป็นมนุษย์เยสุขก็คือสุขที่เกิดจากฌานสุขฌานสุขคือสุขที่เกิดจากความที่จิตมันนิ่งสงบอจิตนิ่งสงบถ้าเราได้บ่อยๆได้บ่อยๆจิตเข้าวความนิ่งบ่อยๆเข้าเนี่ย เราอยู่ในโลกใบนี้จะไปเจอในสถานการณ์อะไรก็ตามหรือแม้แต่ว่าตกอยู่ในที่ลำบากยากเข็นยังไงก็ตามเราก็สามารถยกจิตเข้าไปสู่สมาธิแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ในสถานการณ์นั้นๆลองนึกภาพว่าถ้าเรานั่งเครื่องบินเครื่องบินลำหนึ่งกำลังจะตกทุกคนกำลังจะตายจิตที่อยู่ในใต้อำนาจของกิเลสนะ มันก็จะเดือดร้อนกระเซาะกระสนดิ้นรนให้เป็นทุกข์เพื่อที่จะให้ตัวเองรอดแต่จิตที่เคยผ่านเคยฝึกมันจะวิ่งเข้าสู่สมาธิทันทีพอวิ่งเข้าสู่สมาธิทันทีมันก็สามารถที่จะให้จิตสง บ, บได้ในขณะที่มีสถานการณ์บีบคั้นอย่างนั้นเล่าต่างคนต่างตายตายหมดทุกคนไม่เหลือแต่จิตที่สง บ, บผ่องใสแล้วตายมันไปอย่างหนึ่ง จิตที่เดือดร้อนดิ้นรนเศร้าหมองมันก็ไปอีกที่หนึ่งนะเรเรียกว่าฝึกแล้วได้เปรียบทุกเรื่องฝึกแล้วได้เปรียบทุกอย่างอย่างการที่เรามานั่งนั่งเสร็จแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บถ้าเราอยู่บ้านมันปวดหัวเขา่านั่งปวดเราก็พลิกแปลอิริยาบถมันก็หายใช่ไหม เราก็ไม่ได้รับอะไรแต่พอเรามานั่งมันปวดที่หัวเขาปวดที่หัวเขาเรารู้ว่ามันปวดที่หัวเขาเรายกจิตกลับมารู้ลมหายใจอะไรเกิดขึ้นมันเป็นความอดทนเรียกว่าขันติเกิดขึ้นที่จิตจิตสามารถที่จะใช้ธรรมะได้อย่างต่อเนื่องได้ประโยชน์เยอะพอจับมันมาฝึกแล้วเนี่ยเรียกว่ากิเลสเดือดร้อนกิเลสเดือดร้อน อาการดิ้นรนของจิตถ้าท่านสังหลายสังเกตในบางจุดในขณะที่เรานั่งหรือเราเดินก็ตามมันเกิดอาการเที้ยงพลั้มขึ้นมาจิตไม่ค่อยรู้ที่เท้าเคลื่อนไหวไม่ค่อยรู้ในการยกไม่ค่อยรู้ในการย่างไม่ค่อยรู้ในการวางแล้วไม่ค่อยรู้ในการเหยียบแล้วสังเกตณขณะนั้นอะไรมันมานี่วอนทั้งนั้นกิเลสที่มันยึดครองเราอยู่นั่นแหละมันเป็นมารมันจะไม่ให้เราทําอย่างนั้นต่อไปเพราะถ้าทําอย่างนั้นต่อไปเนี่ยสติเราจะแข็งแรง เวลาเราไปอยู่ในชีวิตจริงไปอยู่กับคนไปอยู่กับอีกหลายๆอย่างในโลกใบนี้มันจะต้องใช้สติมากแล้วเราไม่ฝึกไม่พัฒนาขึ้นมาเราก็จะไม่เหมือนจะใช้อยู่ไม่ได้มันก็เหมือนเดิมหรือมีความสุขกับการในสมาธิหรือในฌานสุขแล้วเนี่ยแม้กระทั่งว่าต้องตายไปก็ยังได้เทวสุขอีกเออ เป็นมนุษย์บริโภคกามก็มีสติคอยแยกแยะรู้เท่ารู้ทันในการบริโภคกาม ร, รู้จักมีความสุขในสิ่งที่ตนเองมีรู้จักมีความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นไม่เดือดร้อนเดือดพลานด้วยอำนาจของกามท่าฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาจิตมีความยินดีสันโดดรู้สึกมีความสุขเหนือจาก เนื้อจากกามสามารถมีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยกามก็เป็นเทวสุขเป็นฌานสุขขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพัฒนาอย่างนี้นพระพุทธเจ้าเรียกวุทิงวิรุฬหิ่งเวปุลังจะเริอนหอกงามไัยบุญแต่ถ้าไม่ฝึกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ นาหังบิกเวอัญยังเอกธรรมมังปิสมณุปัสสามิภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเล็งเห็นอันใดอื่นแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่อย่างเดียวที่จะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเหมือนกับกามฉมันทะหเหมือนกับกามนี้เลย เหมือนกับพยาบาทนี้เลยเหมือนกับอุทจัะกุกุจจกนี้เลยเหมือนกับอถีนมิธะนี้เลยเหมือนกับวิจิกิจานี้เลยพระเจา้าว่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะเราเกิดมาจากท้องแม่ก็เราเราโง่เราไม่รู้อะไรใครรู้บ้างเกิดมาจากท้องแม่รู้ไหมนอนคุดคูอยู่ก็ไม่รู้เกิดมาจากท้องแม่ก็ไม่รู้ พอเกิดมาถึงร like, ้องอย่างเดียวอุแออุแออุแอหิวก็ร้องเมื่อยก็ร้องเจ็บก็ร้องอะไรก็ร้องพอโตขึ้นมาหน่อยแม่ก็สอนพ่อก็สอนเราหิวก็ให้กินง่วงก็ให้นอนเมื่อยก็ให้เปลี่ยนนิริยาบทเราก็เริ่มรู้อะไรขึ้นมารู้แต่ละรู้ของเรามันดับความไม่รู้มาเรื่อยเรื่อยเรือยเรยเยพอเดียงสาขึ้นมาตาเริ่มมองเห็นหูเริ่มได้ยิน ว่าเป็นเสียงตาเริ่มเห็นว่าเป็นสีเป็นรูปจมูกเริ่มรู้ว่าเป็นกลิ่นลิ้นเริ่มรู้ว่าเป็นรสกายก็เริ่มรู้ว่ามีผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เริ่มรู้เรื่องการนึกการคิดอวิชาสวมโครม้าไปทันทีเลยอวิชาคือความไม่รู้นะมันยังอยู่อ่ะมันยังอยู่มันไม่ให้ความแยกแยะอะไรตามันก็จะหาแต่สิ่งที่ถูกใจ หูมันก็จะหาแต่เสียงที่ถูกใจจมูกมันก็อยากจะให้กลิ่นที่ถูกใจลิ้นมันก็จะริมแต่รสที่ถูกใจฝังเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความถูกใจความปรารถนาอันนี้เป็นกามแล้วและอันนี้เป็นมากเข้ามากเข้าหมักดองไว้ในใจเป็นอาสวะแล้วนเรียกว่ากามาสวะ ทีนี้เวลามันมีสิ่งที่ถูกใจมันก็จะมีอะไรที่ตรงกันข้ามมันจะมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเวลามีสิ่งที่ไม่ถูกใจมันเป็นยังไงอาการของจิตมันจะดันออกดันออกเรียกว่าไม่ชอบในสิ่งที่ถูกใจเราพยายามที่จะจดจำจดจำจดจำจดจำจดจำด้วยอานาจสัญญาว่าอะไรเราชอบมั่งชอบมั่งสิ่งที่เราชอบทั้งหลายแหลถ้าชอบรุ่นแดงนะ มันก็จะถูกแปรรูปมาเป็นอะไรมาเป็นสมบัติอันนั้นของเราอันนี้ของเราอันนั้นของคำว่าของเราของเราของเราของเราทั้งหมดมันมาจากการชอบของเราแล้วเราไม่เคยจาแต่จิตมันรู้จิตมันจำพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจนะมันรู้เลยอันนี้ก็ไม่ถูกใจมันดันออกอันนี้ไม่ถูกใจมันดันออกอันนี้ไม่ถูกใจมันดันออก เราไม่เคยบอกหรอกว่ามันเป็นของเรามันถูกผลักออกไปในฐานะที่ไม่ใช่ของเราแต่มันถูกผลักออกไปในฐานะที่มันใจเรามันไม่ชอบเพราะฉะนั้นจิตถูกวิชาสร้างตั้งแต่เราจำความได้ออกมาจากท้องแม่และพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเราเรื่องเหล่านี้ร้องอยากได้อะไรเอาลูกไม่ชอบอะไรโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเอาออกให้ อยากได้อะไรเอาไม่ชอบอะไรเดี๋ยวจัดการให้ขนาดลูกไปเดินไปชนโต๊ะแล้วร้องพ่อยังกำหมัดต่อยโต๊ะให้ลูกโอ้สบายใจหายพ่อเข้าข้างทั้งหมดลูกขวังเป็นอาสาวะทั้งหมดเลยนัย่นเรียกว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้พ่อแม่ไม่ได้สอนรักอย่างเดียว รักอย่างเดียวยิ่งรักมากก็ยิ่งให้ความหลงมากความหลงมากอันนี้ไม่ได้ว่ากันไม่ว่าใครนะใครก็เป็นอย่างนี้คือเรื่องราวของมนุษยชาติไงทีนี้เราก็ปรุพนไปด้วยอะไรด้วยตัวเราและของเราแล้วเราก็อยู่กับมันแล้วเราเป็นทุกข์อะไรเราเป็นทุกข์เรื่องของเราและเรื่องของตัวเราเท่านั้นเราไม่ได้ทุกข์อย่างอื่น เราทุกเรื่องตัวเรากับเรื่องของเราเท่านั้นในตอนนี้ใครนั่งเป็นทุกข์มั่งเด็กติดอยู่ในน้นสิบสามคนน่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราใช่ป่ะน้อยนิดถ้ามันเป็นของเราขึ้นมาทุกข์ป่ะต้องไปยืนอยู่หน้าถ้ำร้องลูกเอ้ยลูกเอ้ยนะนะถ้ามันเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราเรารู้สึกงไงหดหูมั่งใช่ไหมเออมันเราจะทุกข์เฉพาะสิ่งที่เป็นของเรากับตัวเรานะั่นแหละ และตัวเรากับของเรามันมาจากไหนมันมาจากความชอบในเอ่อความพอใจในสิ่งที่ชอบความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหมดเกิดขึ้นมาเส้นใยแห่งการยึดพอเราชอบอะไรเราใส่แหว่งหายึดคล้องไว้แล้วมีเส้นใยแห่งการยึดหนึ่งเส้นชอบอะไรใสแหวงหายึดครองไว้มีเส้นใยแห่งการยึดหนึ่งเส้น เส้นใยแห่งการยึดระหว่างใจของเรากับโลกใบนี้เนี่ยเราปุพุนไปหมดถ้าเราไม่นั่งสมาธิไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้เดินจงกรมเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเฉยได้กี่นาทีจิตเราจะเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปหาของเราเคลื่อนไปที่ตัวเราเคลื่อนไปที่บ้านเคลื่อนไปที่รถเคลื่อนไปที่โทรศัพท์เคลื่อนไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนยื้อยั่วเยี่ยไปหมดเห็นไหมจิตเรา แต่พอเรามารู้ลมหายใจที่จะมาว่ามันเป็นนิสิตะนิสิตะอนิสิตะมันไม่เป็นนิสัยไม่มีตัณหามานาทิฏฐิอยู่นั้นรู้ที่รู้ลมหายใจเป็นรู้ที่บริสุทธิ์มากเราจะต้องให้จิตของเรามีประสบการณ์สะสมเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้รับความสุขถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆ อะไรเกิดสติเราจะแข็งแรงขึ้นนี่พระพุทธเจ้าว่าจิตตังพิกาเวพาวิตังพระูลีกตังสุขขาทิวาหังโหติภิกษุทั้งหลายจิตนี้อบรมแล้วทำให้มากแล้วนี่ปัญหานีปัญหาคือต้องทำให้มากต้องทำให้บ่อยๆ วันนี้ถ้าเรารู้ว่าเดินอย่างไรเป็นการฝึกฝนจิตนั่งอย่างไรเป็นการฝึกฝนจิตอันนี้เรามาฝึกแล้วเวลาเรากลับบ้านเราไปอยู่ในการชีวิตจริงเราก็ต้องเจอสติของเราก็โดนกินไปหมดอีกโดนมันเอาไปหมดอีกถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะทันอย่างเมื่อกี้เราเดินจงกรมพอเรารู้พอเรายกสติมาเพราะกิเลสมันยึดพื้นที่ใจเราไว้ไง แต่ก่อนนี่เวลาเราเดินไปเนี่ยถ้าเราไปด้วยอำนาจของความโกรธก็ปึงปึ้งปึ้งปึงะไม่รู้เลยบางทีเหยียบแก้วแตกไปสองสามลูกเลยยังไม่รู้เลยตอนโกรธอะ่ะอานาจของกิเลสอะ่ะหรือไ อ, อ, อ้ทุกอํานาจอะ่ะกิเลสมันสามารถที่จะทำอะไรแบบพิสดารได้พอเราจะให้ยึดคืนพื้นที่จิตของเราให้มาเป็นอานาจของสติฝึกลมหายใจออกรู้ เราหมายใจข้าวรู้มันดิน้นมันจะไม่รู้มันจะไม่ยอมเพราะมันคุ้นชินเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําพอยกขึ้นมาบนบกมันก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามยกมาพระเจ้าบอกใก้คิดรับแล้วบันเทยเย ว, วังสักังจิตตังสติยรารามเ ด, ดดันหังจำให้แม่นเลยเนี่ยเคล็ดวิชาผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์ให้มั่นด้วยสติอารมณ์ที่ว่านี้คือกายกับจิตเท่านั้น เริ่มต้นที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวการเดินในริยาบทต่างๆหรือแม้แต่นิ้วเนี่ยถ้าเรากําลังเดือดพล่านอยู่เราอย่าไปอยู่ในอํานาจของความโกรธเรารู้ว่าความโกรธเป็นหมันจะไปกําลังเดือดพล่าดอยู่นะหาหลบมุมแล้วนั่งทําไม่อยู่กับลมหายใจอยู่ในที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศจับนิ้วเนี่ยขึ้นมาแตกกันปับ๊บแลวให้จิตรู้สึกจิตรู้สึกแล้วก็ผูกจิตไว้ที่นิ้วที่แตกกันอย่างเงี้ยแล้วก็หยับปลายนิ้วว่าจิตรู้สึก เมื่อจิตถูกยกออกเข้าไปสู่ความนิ่งได้เท่าไรมันก็จะคลายออกจากความโกรธเท่านั้นและมันก็จะยื้อกันอยู่นะมันก็จะยื้อกันอยู่มันก็จะยื้อกันอยู่เรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกและที่นี่มาเป็นแค่ฝึกออกจากนี่ไปนะ่ะคือของจริง ท น, นี่เวลาฝึกเราต้องฝึกให้พอ่อก็ฝึกบ่อยๆนี่ถ้าใครเป็นแล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องวัดเรื่องวานี่มันเป็นเรื่องพัฒนาการทางจิตพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาในในคนิยามใดๆทั้งนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคําสอนของผู้รู้ที่ค้นพบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในฝ่ายที่จะเริญนสติ และสามารถอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกได้โดยไม่ต้องทุกข์นะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นความจรงิงพระพูทเปเจ้าตรรู้แบบไหนพระพเจ้าตรรู้ด้วยวิทยาศาสอะไรไม่ได้ไปขอจากพระเจ้าองค์ไหนไม่ได้ไปขุดดินหาหรือไม่ได้ไปยืมยืมใครมาพระพูทเปเจ้าตรรู้ด้วยวิธีการนั่งเฉยเฉยแล้วค้นคว้าเข้าไปในจิตของพระพูทธเจ้าเอง เมื่อค้นคว้าเข้าไปแล้วค้นพบความจริงที่มีอยู่ในใจดวงนั้นของพระองค์เองนั่นนะเยอะแยะมากมายอยู่ในใจแต่ปรากฏว่าเมื่อค้นพบแล้วความจริงที่มีอยู่ในใจที่พระองค์ค้นพบกลับกลายเป็นว่าเป็นความจริงของใจทุกทุกใจนั่นคือพุทธศาสนาของเราและความจริงอันนี้ มีอยู่แก่ใจทุกใจเราจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ด้วยใช้ใจนี้เท่านั้นและเราจะต้องรู้ให้ครบตามที่พระพุทธเจ้าสอนรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้จากการอ่านไม่ใช่รู้จากการฟังอย่างเดียวรู้จากการอ่านรู้จากการฟังรู้จากการท่องจําเนี่ยเขาเรียกปริยตัตเรียกว่าความรู้ในส่วนเหตุ รู้แล้วก็คิดแล้วก็เถียงกันแทบเป็นแทบตายคือรู้นี้แหละแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้ของพระพุทธเจ้าที่จะเรียกว่ารู้ได้นั้นหนึ่งต้องรู้ในส่วนเหตุสองต้องรู้ในส่วนของปฏิบัติการและสามต้องรู้ในส่วนผลรู้สามรู้นี้เกิดขึ้นในใจใครเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรียกว่ารู้จริงรู้นี่มันมีรู้จัก รู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งรู้จักรู้จาก็คือการอ่านการฟังการท่องปิญญาตะกีใบด็อกเตอร์กี่ใบไม่รู้แหละอยู่ในส่วนของการรู้จักรู้จำรู้จริงก็คือการลงมือปฏิบัติมีความรู้เกิดขึ้นในการปฏิบัติในขณะที่รู้ลมหายใจลมรู้ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้จะเห็นว่าจิตของเราคลายตัวออกมาจากของของเราทั้งหมดมาหยุดอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตรู้ลมหายใจนักขณะนั้นแล้วก็ขับเคลื่อนไปอยู่ในความเป็นปัจจุบันแท้จริงๆอันนี้ให้จิตสัมผัสรู้แบบนี้เรียกว่ารู้ในส่วนปฏิบัติการ และทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการอย่างนี้เรียกว่ารู้ในส่วนผลรู้สามรู้นี้แหละถ้าเป็นรู้เรื่องของยานะรู้ว่าเราป่วยรู้ว่านี่คือยาและรู้ว่ายานี้ควรกินและรู้ว่ากินเข้าไปและรู้ว่าเออโรคมันหายนั่นจึงเรียกว่ารู้เรื่องยาอันรู้จากรู้จําเป็นเรื่องของการเรียนการควัง แล้วมาเถียงโมโมกันรู้จริงคือรู้ในการปฏิบัติรู้แจ้งคือผลของการปฏิบัตินั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ารู้าศาสนาเรียกว่ารู้ธรรมและไม่มีเถียงถ้ารู้แจ้งรู้แรงรู้แจ้งแล้วเนี่ยจะไม่มีเนนถียงกันตอนนี้เถียงกันแทบเป็นแทบตาย บ, บ้านเราเห็นไหมถ้าเถียงกันแบบนั้นถเถียงกันตาย เรียกว่าเอาอะไรมาเถียงความรู้ในส่วนเหตุพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะวิชาพิกขเขวกวัวงไว้นะปุพังกมาอากุศลนังธรรมนังอ น, นะเดวะอนวะเดวะอหิริกังอะโ ด, ดตปังแปลว่าภิกษุทั้งหลายอวิชาเป็นวัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งหมด เกิดร่วมกับความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวการเรียนหนังสือการรู้ในส่วนเหตุไม่สามารถทำลายอาวิชชาได้ไม่สามารถฤริดรอนอวิชชาให้มีกำลังอ่อนแอลงได้เพราะฉะนั้นความไม่ละอายแก่ใจความไม่เกรงกลัวต่อบาปในใจไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมมีตลอดเวลา เพา้ต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าึงบอกว่าวิชาภิกขเวอ ว, วิทัสุโนวิชาภิกวิชาภิกขเวปุพังคมากุศลานังธรร ม, มานังอันวะเดวะหิริหิโรตปังส่วนวิชาเป็นหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งปวงเกิดร่วมกับหิริโอตปะ เพราะฉะนั้นรู้ในส่วนเหตุอย่างเดียวพังหมดพาศาสนาไม่รอดต้องรนนะระงการปฏิบัติตามเจตนารม์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยต้องรนนะระงให้มีการเดินจงกรมเจริญสติรู้ลมหายใจให้ปฏิบัติทําให้ถูกวิธีทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยทากันบ่อยๆเมื่อทํากันบ่อยๆ เธอเขาหัวญาตเครือของอกุศลตั้งปวงคืออวิชาก็จะอ่อนแอวิชาก็จะมีกําลังฮิริโอตปาก็จะเกิดเมื่ออิริโอตปากเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติการแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเองบวชมา20่สิบสามี่สิบพรรษามันไม่ให้เละเทะความเป็นพระของตัวเองแน่นอนเข้าใจปะละ่ะไม่มีใครหรอกนี่อยู่มาอายุอย่างนี้จะให้เสียผู้เสียคนได้ไงต้องรักษาสถานะของตนเอง ด้วยวิชาเพราะฉะนั้นต้องรณรงค์เรื่องการฝึกฝนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องทาไม่ถูกทําให้มากทําให้บ่อยและแก้ปัญหาได้หมดถ้าไม่อาศัยการปฏิบัติการไม่อาศัยความรู้สองส่วนที่กล่าวางว่าเนี่ยเอาแต่ความรู้ส่วนเหตุเปิดแต่พระไตรปิดกมาใส่กันเนี่ยอัดกันเนี่ยพังหมดพระไตรปิฎกก็แค่ กระ บ, บี่เล่มหนึ่งที่มาเชือดเฉือนกันมันไม่ได้ชื้เฉือนคนชั่วนะคือต่างควายต่างเชือดเฉือนกันวิธีการแก้ปัญหาแต่มาพูดอยู่สเสมอเหมือนกับเห็บมัดมันกัดอยู่หลังโคเจ้าของโคก็บอกว่าเฮ้ย hey, มึงไปเอาเห็บมัดออกหน่อยไอ้นั่นมันก็พาซื้อเอาขวานไปอันเบลเลอร์สับตัวเห็บอยู่บนหลังโค โกรมมกรมโกร ม, กรมเห็บตายแล้วโครอดไหมโครอดไหมล่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกอย่างมันจะต้องรนรงค์ยกเรื่องของการปฏิบัติการเจริญภาวนาขึ้นมาเหมือนพระบาลีที่ยกวันนี้จิตตังพิกเวพาวิตังกรมมานิยังโหติพิกษูกทั้งหลายจิตที่ อบรมแล้วควรแกการใช้งานจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วจะนำทุกมาให้จิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสามรวมแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พระพจ้าพุ่งไปที่ไหน พุ่งไปที่จิตทั้งนั้นและอาศัยการปฏิบัติทั้งสิ้นและเมื่อทุกคนเข้าสู่การปฏิบัติเมื่อท่านตั้งหลายทําอย่างนี้ทําทุกวันอย่างเนี้ยที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี้ยทำทุกวันมันก็จะเกิดผลภูมิจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัน ท, ทีภูมิจิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้ในปัจจุบันเราไม่ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นโกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ถูกคนพบโดยพระพุทธเจ้าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการทําบุญเราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องทานอย่างเดียวมันจึงเป็นบ้าเป็นหลังกันอย่างทุกวันนี้ไอ้นี่กล้าพูดออกอากาศได้เวลาเราพูดถึงเรื่องทําบุญต้องทานอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งสิบวิธีแล้วตรัสไว้ เป็นหลักใหญ่ๆสามวิธีและวิธีที่ใหญ่ที่สุดก็คือภาวนาไม่อย่างนั้นคนจนไม่ต้องทํเราในปัจจุบันนี้พอจนแล้วไม่ต้องทําบุญแล้วตายคนจนไม่ต้องขึ้นสวรรค์แล้วนอกจากมันกีดกันกันในตอนเป็นแล้วตายแล้วมันยังกีดกันด้วยจนแล้วก็ไม่าคือถ้าจนแล้วลงนรกอย่างเดียวขึ้นสวรรค์ไม่ได้เพราะทาบุญไม่ได้ไงเพราะไม่มีเหตน แล้วอเราพูดถึงเรื่องบุญเราพูดแต่เรื่องทานแล้วไม่ใช่ยุคนี้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะมันง่ายที่สุดพอเราพูดแต่เรื่องทานอย่างเดียวมันก็ทําตลาดแข่งกันเพราะนั้นของเราก็เหมือนกันเราจะต้องรณรงค์เรื่องพวกนี้บุญก็ทําแต่บุญที่ทําถ้าเป็นคาวาะพระพุทธเจ้าพูดสามข้อคือทานศีลภาวนา ทำไมต้องพูดทานก่อนรู้ป่าฮะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใ ช, ใช่เพราะทานทำให้การรักษาศีลบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์ขึ้นแล้วการภาวนาก็จะดียิ่งขึ้นนั่นปัญหาของเราเราเข้าใจทานผิดทานที่พระพุทธเจ้าให้เราทำนั้น ทำเพื่อละลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันละลายได้ไหมได้ถ้าทำให้มันถูกใจที่มันมีความอนุเคราะห์ใจที่มันมีความการุณใจที่มันมีความปรารถนาจะสงเคราะห์ใจมันที่มันมีความปรารถนาใหญ่ ด้วยการลงมือกระทําการเสียสละของตนเราทํางานทํางานทําการเก็บเงินเก็บทองเรามีทรัพย์เป็นของเราที่เรียกว่าทรัพย์เนี่ยและเราให้ทานไม่ใช่ง่ายเพื่ออยากจะได้บุญอะไรมาง่ายเพื่อง่ายพระพุทธเจ้าพูดกับว่าปะยะตะปานีมือสะอาดสิบบาทเนี่ยไ อ, ไอ้นี่มันใหญ่กว่า10บบาทไว้ มีสิบบาทเนี่ยเราให้ทานสิบบาทเนี่ยให้หมดสิบบาทจบเรามีเงินอยู่สี่ห้าร้อยเราเห็นคนลาบากอยู่เนี่ยเราให้เขาสิบาทจิตเรามุ่งไปเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาไม่รู้เขาได้กินข้าวหรือยังเขาจะได้มีเงินไปกินข้าวเอาๆให้สิบาทนะให้ให้หมดสิบบาทให้ให้มือสะอาดแต่เดี๋ยวนี้เราให้ทานด้วยอะไร อยู่ที่นี่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยวิ่งไปให้ทานถึงเชียงไงยกตัวอย่างไกลหน่อยเพราะอะไรเพราะเขาลือกันว่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วไปให้ทานแล้วจะได้ลูกแต่งานแล้วไม่มีลูกมันมีเหตุผลพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่ทาน มันไม่ใช่บุญเข้าใจเปะะ่าล่ะเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงในพระไทรของพระองค์ว่าอาจยากอาจารคือความผิดความชั่วทุจริตที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยออกมาจากบริษัทสามบริษัทคือโลภะจำกัดเดี๋ยวนี้เป็นมหาชนไปแล้ว <laughs> โลภะจำกัดอะไรอีกโทสะจำกัดอะไรอีกโบหะจำกั ด, กกดเดี๋ยวนี้มันรวมตัวกันเป็น อวิชามหาชนเออตอนมันมาจากอาวิชามหาชนไปแล้วพอรู้อย่างนี้ไอ้ตัวที่จะกาจัดความโลภตัวแรกคือทานเพราะลักษณะของความโลภนั้นมันจะดึงสิ่งที่ชอบเข้ามาหาตัวเข้าใจไหมมันจะดึงสิ่งที่ชอบเข้ามาหาตัวแต่ในลักษณะทานคือการผลักสิ่งที่ชอบออกไปจากตัว เข้าใจป่ะเออการผลักสิ่งที่ชอบออกไปจากตัวสิ่งที่ชอบคืออะไรสิ่งชอบคือทรัพย์สินอะไรที่เรามีอยู่ที่หามาอย่างสุดจริตที่ได้ชื่อว่าเป็นของเราเราประสงค์ที่จะยกสิ่งเนี้ยไปทําตรงเนี้ยเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ทําแล้วให้มันจบไอ้นี่ไปทําไปหบาทแล้วคอยไปแอบซองแอบแล้วเดี๋ยวนี้รณรงค์กันด้วยนะอืมทําบุญแล้วโง่นี่ไม่ตามดูนี่ว่าพระเอาไปใช้อะไรมั่งทําอะไรมั่ง วุ่นวายไปหมดเลยกลายเป็นทําบุญไม่ได้บุญไอ้ น, นี่ไม่ได้สอนให้พวกเราโง่แต่เราจะต้องฉลาดตั้งแต่แรกเริ่มเราต้องรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานั้นทานที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือละลายความเห็นแก่ตัวเมื่อละลายความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมันทําให้เกิดน้ําใจขึ้นมาน้ําใจที่เกิดมันทําให้ศีลบริสุทธิ์เห็นไหม มันเดือดร้อนถึงอวิชชาเลยน้ำใจที่เกิดมันทำให้ศีลของเราไปสุดศีลของเราไปสุดยังไงเมื่อมันมีน้ำใจมันจะเริ่มห่างจากการฆ่าเมื่อมันมีน้าใจมันเริ่มห่างจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อมันมีน้ำใจมากขึ้นมันห่างจากการเบียดเบียนคนรักของผู้อื่นเมื่อมันมีน้ำใจมากขึ้นมันก็จะห่างจากการโกหกหลอกลวงคน เมื่อมันมีน้ําใจมากขึ้นมันก็เริ่มมีการทนุถนอมตน ร, รักษาสติปัญญาโดยไม่ทําลายด้วยการเสพหรือดื่มสิ่งมึนเมาทําให้เสียสติสัมปชัญญะแล้วมันพอเราไปรักษาศีลศีลเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นศีลที่บริรสุ ท, <ST. S 1> สทธิ์ <S. S 1> ทาให้เราจเจริญภาวนาได้ง่ายเห็นไหมล่ะนี่ย่ทานของพระพุทธเจ้ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้อง ให้รู้ศาสนานะรู้แล้วต้องรู้สามชั้นพออย่างนี้พูดอย่างนี้นะห่างการภาวนาไม่ได้เลยถ้าห่างการภาวนาห่างจากการภาวนาเราจะไม่รู้อะไรและพระพุทธเจ้าเรียกหนักนะไอ้คนที่มันรู้แต่ประใจปีดกอ่านแต่นังสืออ่านอย่งจ้าปฏิบัติไม่ทารู้ในส่วนผลไม่มีไอ้พวกนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่า บุรุษคำพีเปล่าบางครั้งเรียกถึงขนาดโบคะบุรุษด้วยซ้ำนะและไม่เว้นไม่เว้นบุคคลและส่วนมากบุคคลแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกในอดีตคือเป็นพระทั้งสิน้นเพราะสมัยพระพุเจ้าที่ใกล้พระพุทธเจ้ามากก็คือพร ะ, พระเด่จะเรียกว่าเป็นพระทั้งสิน้นไม่ใช่มันเพิ่งมีสมัยนี้มันมีมาทุกยุคทุกสมัยอ่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย การรุนรงเรื่องการภาวนาของเราหายไปอันน้มายังอยากเห็นเลยนี่เรามันไม่มีอำนาจไม่มีบารมีแต่ยังอยากจะเห็นว่าถ้าใครมีอำนาจมีกำลังรวบรวมการปฏิบัติทุกสายที่เข้าได้กับสติปัฏฐานของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหลยนะ แต่ที่เข้าได้กับสติปัฏฐานนะเข้าได้กับสติปัฏฐานเข้าได้กับอริยสัจรวบ ร, รวมมาเลยและตั้งเป็นมหาวิทยาลัยให้เลยแล้วก็สอนสอนโดยจับพระนี่แหละไปเรียนก่อนฝึกก่อนเก็บชั่วโมงการภาวนาไใครอยากได้สายไหนก็เอาไปเลยทุกสายที่แต่ตอนนี้มันไม่มี มีไม่มีไม่ว่าแต่ละสายก็มนานั่งด่ากันเองอีกเชียร์อาจารย์กันเนี่ยพวกเราอย่าที่จะเป็นนะไม่ต้องมาเชียร์ตมานะเชียรนะ์ถ้ารู้สึกว่าเออมาแต่ปฏิบัตกิกระดองพ่อสุชีพดีไว้ให้ถึงไครพระพุทธเจ้าเท่านั้นไอตัวบุคคล น, นี่มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ให้นึกทะลุถึงพระพุทธเจ้าให้หมด นี่เราเดี๋ยวนี้มันไปติดอยู่ที่สํานักไปติดเชียร์อยู่ที่อาจารย์แล้วก็ทะเลาะกันอาจารย์กูดีกว่าเพื่อนมีบอกว่าน่าจะมีเลยเนาะอแต่ว่าเราไม่เอาเราไม่เอาความดีจาหบทนี้ต้องมีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่นั่งอยู่เนี้ยที่นั่งเนี้ยเนี้ยสองตารางพุทเนี้ยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนี้ยผ้าที่ห่มอยู่เนี้ย อเย็นๆนี่พระพุทธเจ้าทังนั้นเต็มไปด้วยพุทโธพุทโธเต็มไปหมดเนี่ยพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องทำความเข้าใจให้ถูกเรียกว่าเราต้องมีท่าทีต่อทานของเราให้ถูกนี่พอพอมีข่าวทีนก็วันวันที่เขามีการจับพระมาเถระรู้เปลเจ้าวันนั้นพระโอดไบินระบาดคนไม่ใส่เ็ไม่ไถ่บาตบางคนเดินไปซื้อของจะมาวัด อพี่ยังไปวัดอยู่อีกเหรอดูมันเออเพราะอะไรเนี่ยเพราะคนพูดเราไม่รู้เรื่องเลยกล้าพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยมันทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมลทินไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทานนี่เห็นไหมเราเอาไปโฆษณาเชื้อจนมันบิด ผิดเพี้ยนไปหมดจากจากสาระกลายเป็นคนทำทานะยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งจนเพราะมันโง่ไงไม่รู้จะพูดยังไงมันทำด้วยความหลงอะ่ะก็ยิ่งทำยิ่งจนเนี่ยอย่าไปอ้างว่าอนนาธาบินดีกาเศรษฐีจะไปอ้างนางวิสาขามันอ้างไม่ได้หรอกภูมิจิตเขาขนาดไหน ไปอ้างประเวศสันดรไม่ได้หรอกนั่นก็เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์การให้ทานเพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะต้องให้ถึงขนาดปรมาถบ ร, รมีทานะประมาถบ ร, รมีมันต้องให้ขนาดนั้นถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เราจะเป็นไหมละ่ะเรายังบริโภคกามกันอยู่อะ่ะยังมีลูกยังมีสามียังมีครอบครัวยังมีต้องทางานต้องเราก็ต้องให้ทานในฐานะที่เป็นคาหัตชน เพราะฉะนั้นอะไรในกระเรื่องแตชนพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วทานในกระเรื่องแตชนพระพุทธเจ้าสอนว่าแสวงหาพวกกระซับได้มาโดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขสองเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายที่เกิดแตเหตุต่างๆสี่ทำพลีห้าอย่างคือ ญาติพีรีสงเคราะห์ญาติอตทิติพีรีต้อนรับแขกบูปะเพยตะพทีทําบุญรูธิให้ผู้ตายราชพีร์ถวายเป็นหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นและเทวตาพีร์ทำบุญรูธิให้เทวดาหลังจากนั้นห้าข้อสุดท้ายบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤกษชอบพระพุทธเจ้าจัดไว้ท้ายสุดนะในเรื่องการใช้ใจ่ายทรัพย์ของคาริยทหารชนแล้วเราไปไหนอะ แม่ก็ไม่เคยได้กินแม่ก็อดอดอยู่บางคนเอาเงินไปทิ้งไว้ที่วัดให้แม่อดผิดพระพุทธเจ้าไหมล่ะผิดไหมต้นสอนไวช้ชัดอย่างนี้อของพระอยู่ข้อสุดท้ายเรื่องการทรัพย์อะ่ะข้อที่หนึ่งเลี้ยงตัวบิดามารดาบุตรภรรยาบ่าวไพรใ่ให้เป็นสุข คือหมายความว่าในครอบครัวต้องเป็นสุกรจึงจะเอาทรัพย์ไปอื่นนะสองเลี้ยงเพื่อนฝูงอ่เพื่อนฝูงสมัมยเป็นไหมเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ในสังคมดูที่พระพู้ที่เจ้าฉลาดขนาดไหนถ้าเราทําตามที่พระพู้ที่เจ้าอย่างนี้มีปัญหาไหมล่ะไม่มีเ อ, อแลอ้วจะแม่พูดว่างโง่แล้วจะพูดว่างไงสองเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขกยามเพื่อนเรามีทุกข์อ่ะเราก็ต้องช่วยบําบัดทุกข์ให้เพื่อนของเรา เพื่อนเราสามบำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆคืออะไรเดี๋ยวนี้ตอนในบ้านในรวงมึงมุงลวดเอ้ยบำบัดอันตรายใช่ไหมมุงลวดกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องมาก่อนก่อนสร้างโบสถ์นี่ไม่ใช่แต่มาพูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เรื่องคเรื่องอัตชนแต่ เมื่อเราภาวนาไปเราจิตเรามันเปลี่ยนภูมิไปแล้วมันไม่ใช่จิตของผู้ครองเรือนแล้วมันเป็นจิตของนักบวชแล้วมันวางจากเรื่องของความเป็นคารังหัตถชนไปแล้วมันขึ้นไปอยู่ตรงแล้วได้ไม่มีปัญหามันเป็นไปตามภูมิจิตแต่เราทำผิดภูมิจิตของตัวเองเพราะอะไรเราเข้าใจว่าทำเยอะๆให้เยอะๆ แล้วจะได้อานิสงส์เยอะมันผิดวัตถุผิดทางหมดอ่ะผิดหลักผิดความหมายไปหมดอ่ะเราเป็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต้องรณรงค์ขึ้นมาคือเรื่องของการภาวนาถ้ารู้จักใครนะไม่จำเป็นต้องมาอาณาปานาติหรอกที่นี่ยังคงมีอยู่ทุกวันอาทิตย์มาให้มันทุกวันอ่ะ เพราว่าบอกตกลงกันไว้อะไรที่ไม่เข้ากับสติปัฏฐานไม่เอาอาการทําไม่เอาเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสติปัฏฐานเข้ามามเพราะน้ำเลือกเชิญมามาพวกเรามาอาทิตย์นี้มาอาทิตย์นามาอีกซัก็มีวันอ า, าทิตย์ทําอะไรว่างๆอาทิตย์หน้าก็ก็มีวันอาทิตย์ไหนก็มี ม, มีมาอีกมาเรื่อยๆชวนใครได้เราก็ชวนเข้าไปเปิดทางปัญญานิบอนเนี่ย ในชีวิตประจำวันของคนนิบวนมันทำงาน5อย่าง 1. อันทการณา 2. องจักขุการณา 3. อัญญานาการณา 4. อะไรวะสปัญญานิโรธิยา 5. วิสังคาตะปัคคิยาแล้วหก 6อย่างโอ้ยขาดอีอย่างอีหอย่างนี่พอพูดแล้วมันก็ออกมานี่จำจำไนะออกมาแล้วมันก็จํมาหคืออัณฑภานะสังวัตตานิกาหข้อนี่วันธรรมาหอย่างอะไรมางหนึ่งอันทกรณาทำให้มืดสองอาจักขุกกรณาทำให้ไม่มีตาคือบอดดูนะมืดไม่พอนะบอดอีก สามอะไรแล้วเมื่อกี้บอกให้ช่วยจำไม่คุ้นเหรอ อ, อันตะกรณะอาจักคุกรณะสามอัญนาคกรณะออ่างมนากาศยอหญิงยอหญิงสระอาอนเอนนแล้วก็กไก่รอเรือนเอนนสระาอัญนาคกรณะททำให้งโง่น่มืดบอดงโง่ ดูงานของนิวรที่มันทำแล้วเราจะเป็นยังไงอันต่อไปอีกปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ทึบหนักกว่านั้นปัญญานิโรธยาดับปัญญาดูนี่โอ้ไอแสงริบรีของปัญญาว่าพอจะมหาทางรอดมัง้งมันดับเชียออีกสุดวิคตาเอ่อวิวิคตาปัคคิยา เป็นไปในขวักไข่ของความคับแค้นเข้าใจไหมเขาบ่าเป็นไปในขวักไข่ของความคับแค้นดูในใจดูในใจเราตอนเนี้ดูให้มันลึกดูให้มันกวา้างว่ามันคาอยู่กี่เรื่องมันคับไหม มัน hmm. ไม่มีอะไรจบสักเรื่องหนึ่งมันคาอยู่คาอยู่คาอยู่คาอยู่คาอยู่คาอยู่ในใจเรื่องที่มันคาคาคาคาเขาเรียกว่ามัน <edd> คับแค้นคือมันคับอกสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้มันมีแต่เรื่องคาคาคาขับอยู่นั่นเรีย studio, Cross กว่าวิคาตะปักขยาบินไปในกบฝ่ายของความคับแค้นยิ่งเคลื่อนไหวไปยิ่งเคลื่อนไหวไปยิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวในแต่ละวันแต่ละวันก็มีแต่เรื่อง คับแขนคับแขนคับ อ, อกขับ อ, อกแน่นแน่นแน่นอยู่ในเนี้ใจอะและสุดท้ายอะนิพานะสังวัตตานิกาไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูสิอำนาจของมันคือนิวรถ้าไม่ภาวนาจิตไหนที่ไม่ฝึกการภาวนาจิตนั้นจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิวร และมันจะมีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงทุกขณะของการเคลื่อนไหวรับรองได้ยิ่งรงในสมัยปัจจุบันนี้นะยิ่งหนักเพราะเครื่องมือในการที่จะให้สะสมเครื่องมือในการที่จะให้นิวนยำยีจิตเราเนี่ยโอ้ยมันเยอะมาก นั้นไม่ภาวนาไม่มีวันพอเราภาวนาแล้วสิ่งที่ได้อันแรกฤทธิ์ร้อนอำนาจของนิวรอ์ฤทธิ์รอนอำนาจของนิวรณ์แค่จิตที่เริ่มต้นซึ่งเป็นปฐมมจิตเช่นการตัดสินใจจะมาอาการทำดีรุ่งรจดวันนี้ถ้ามาไมมาถ้าไม่มาที่นี่วันนี้มันไปไหนมันก็ไปตามอานาจของนิวรออ แต่พอมาเสร็จดูที่มานั่งคนนียอดตาลมนั่งควังพระดาอยู่ตั้งแต่เช้าไอ้นี้วนข้างในบางทีมันก็ออกมาต่อต้านมั่งแล้วแหละแต่มันสู้ไม่ได้ใช่ปะละ่ะมันสู้การปรารบความเพียรที่ว่าอารัฐวิริยะเนี่ยการปราบความเพียรของเราไม่ได้ในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราไม่เคยเดินโอ ร, เ, รเดินจงกรมอยู่เราสังเกตดู ม, ม, นะมันมาแล้วนะมันมาแล้วแต่มันสู้ความเพียรเราไม่ได้ มันการเริ่มตั้งความเพียรเรามันปรากฏขึ pine, ้นมาในจิตของเราแล้วเราก็เดินไปจนครบเวลาจนกระทั่งพระเรียกในขณะที่เรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยปั๊บๆๆมันเผลอหลุดตอนที่มันหลุดออกไปถ้าเราไปปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อความคิดที่จิตมันหลุดออกไปนี่วอนทั้งนั้นอํานาจของมันเลยแหละอย่างนั่งๆอยู่เนี่เมื่อเช้าล็อกประตูบ้านไม่เปิดเพอายุมานี่ตายแล้วทีนี้มันปรุงนะไอ้ข้างบ้านก็มีขี้ยาชอบมานั่งมั่วสุมกันอยู่ด้วยไง แล้วแล้วกุญแจเซฟล็อกไว้รอเปล่ามันมันมันรู่ววุ่นวายไปหมดอ่ะมันปรุงอ่ะอำนาจของนิวร อ, อ่ะมันปรุงพอเรามีสติเราทำความรู้สึกตัวเราดึงก็กลับมากลับมาสักพักเดี๋ยวมันก็จะหลุดอีกดึงกลับมาอีกมันหลุดอีกดึงกลับมาอีกหุดอีกดึงต้องสู้ยื้อกันอย่างนี้จิตที่ไม่มีการภาวานาเหมือนกับต้นไม้ที่เป็นโพรง เจอแค่อะไรกระทบอ่อนๆอเบาๆก็ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องรนรง์กันเรื่องนี้ชวนใครได้ชวนไม่จำเป็นต้องมาวันนี้ไม่จำเป็นต้องช่วงอานามามันทุกอาทิตย์อ่ะามาได้ที่เขาจัดเนี่ยสบายกินก็ฟีแอร์ก็เย็น <laughs> มีเจ้าภาพอีกเปิดทางให้คนได้ทำบุญกันหลายหลายฝ่ายมาได้มา ต้องไม่ยอมแล้วเราจะอยู่ให้มันแก่เจ็บตายไปเฉยๆอย่างเงี้ยยอม嘛อยอมแพ้มันเงี้ยเดี๋ยวก็แก่อีกนี่ตอนนี้ยังพอเดินได้ได้อีกหน่อยเดินไม่ได้ก็ใช้สองอไม้เท้าผมไม้เท้าใช้ไม่ได้ใช้สี่ขาสี่ขาไม่ได้ก็ติดเตียงพอติดเตียงไม่ได้ก็มีต้องเออกินเองไม่ได้ต้องไปคนอื่นป้อนป้อนเสร็จเคี้ยวเองไม่ได้ทีนี้ก็เสียบทางจมูกเสียบทางคอเนี่ยหยอดลงไป อันนั้นยังมีดูดซึมได้พอดูดซึมไม่ได้ไม่มีแรงดูดซึมก็ต้องฉีดเขา้าเส้นเลือดถ้าไม่ตายนะยิ่งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเฉยเฉยอย่างงี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้ดีให้พิจารณาบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าคุณค่าของการมีชีวิตชีวิตเรามีค่าเนี่ยเพื่ออะไร ต้องให้ได้ความรู้ครบทั้งสามรู้ตั้งรู้จักรู้จํารู้จริงรู้แจ้งต้องให้มีมันไม่ได้เรื่องยากการปฏิบัติให้ได้รับผลไม่ใช่เรื่องยากมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ลงมือปฏิบตัตินี่วันนี้มาได้เนียตั้งแต่เช้าเนี่ยอยู่ได้เนี่ยเนิ่นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ไหมเนี่ยพอกลับออกไป ลองตัดสินลองคิดดูว่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้กลับไปนะเสร็จธุระเสร็จกินข้าวอาบน้าอาบ้าเสร็จโกนอนนั่งสมาธิสักครึ่งชัวง่วโมงลองคิดอย่างนี้ดูนะเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นมา <c oughs> มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นมา <c oughs> เอ๊วันนี้ว่างนี่พาครอบครัวชวนพ่อชวนแม่ชวนเพื่อนชวนพี่ ไปหารีสอร์ตดีๆแถวนครนายกพักกันสักหลังหนึ่งแล้วก็ไปเดินจงกรมกันกินเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมกันเดินเจริญสติกันมให้ลองดูมั่งสิถ้าเราภาวานาบ่อยๆจนภูมิจิตมันปรับเปลี่ยนแล้วกิจกรรมที่ตะมาพูดอยู่นี้มันจะเป็นกิจกรรมหลักให้กับเราเพราะมันมีฉันทะแล้ว จิตเรามีภูมิเป็นอย่างไรมันจะมีฉันทะไปในอย่างนั้นเมื่อมีมันมีฉันทะไปอย่างไหนมันก็จะนาพาชีวิตเราให้ไปทำอย่างนั้นแหละออก็เหมือนพระเนีย่ยมาเทศมาเท ศ, เ, ทศเรื่องเสรยแล้วอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขเท่ากับอยู่วัด <c oughs> เขาพาไปนอนตึกหรูโรงแรมม้ารงงูดง่าดาวพาไปเตอรแต่ไม่มีคนที่จะมีความสุขได้เท่ากับอยู่วัด ถูกว่าเหมือนกันภูมิจิตคนเนี่ยเคยพูดในความเรื่องภูมิจิตถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่ อ, อ, อจิตเข้าสู่ความมีฉันทะกำลังของฉันทามันจะมีมากตามภูมิจิตของเราเคยพูดในความเรื่องเด็กเรื่องเนี่ยอย่างเรามีแอร์อย่างเงี้ยและข้างนอกแดดเยอะขี้กลุ่นเยอะเราก็เด็กมันเล่นอยู่เรากลัวมันจะเป็นหวัดกลัวมันจะไม่สบาย เราก็บอกมันว่าไอ้หนูเข้ามานั่งข้างในนี้ดีกว่ามามานั่งกับลุงนี่มานั่งกับหลวงตานี่มันไม่มาไม่สนุกอไอ้หนูมานี่มึงนั่งอยู่นี่หนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวหลวงตาให้ยี่สิบบาทเออมันนั่งเพื่อยี่สิบบาทพอครบหนึ่งชั่วโมงมันได้ยี่สิบาทไปมันวิ่งแล้วพอต่อไปเราเร่ยกไอ้หนูมานั่งนี่ถ้าเองนั่งได้สองชั่วโมงนะห้าสิบาท มันก็นั่งได้สองชั่วโมงอยู่ไปมันทําอะไรก็ช่างมันน่ะสองชั่วโมงห้าสิบบาทมันก็ไปแล้วพอตลาดเาบอกเฮ้ยมานนี้เองอยู่ให้ได้วันนี้ทั้งวันนะให้รวยเองมันก็อยู่งั้นอยู่นี้หวันครื่องเสีหรวยพอรุ่งเช้าเราหมดตังเงลเราลงมาถึงว่ามันนั่งอยู่เฮ้ยไม่วันนี้ไม่มีตังให้แล้วไปไปไปเล่นกลางนอกไม่เอานั่งเนี้ยเอาทําไมอะ ข้างนอกร้อนจะตายเข้าใจไหมภูมิจิตมันจะปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เราทำจนคุ้นชินเมื่อเราจะเริญนภาวนาทำบ่อยๆทำไม่มากทำให้ถูกวิธีทำบ่อยๆทำไม่มากทำบ่อยๆทาให้มากทำไปเรื่อย ๆ, อยๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอก มันจะปรับภูมิจิตของเราเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเราภาวนามันก็จะเปลี่ยนเข้าไปสู่อารมณ์แห่งการภาวนาฉันทะคือการมีแก่ใจของภูมิจิตอันนั้นก็จะเปลี่ยนไปกิจกรรมที่จะมาบอกว่าไปนครนาะยกเช่ารีสอร์ททั้งสองหลังเราไปกันสีห้าคนนะสบายสบายไปถึงนั่งคุยกันสั่งอะไรมากินกันกินกันเสร็จ แล้วเราก็แยกกันไปเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็มานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็นั่งสนทนาธรรมกันโอ้ยมันมีความสุขอนาคตมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> อั่ภาวนากันบ่อยๆนะแต่ถ้าไม่ภาวนาไม่มีทางไม่สามารถไม่สามารถที่จะเกิดได้แล้วใครที่ จะมีสามีจะมีภรรยาใครที่มีลูกใครที่มีพ่อแม่เอาใครที่จะมีสามีถ้าสามีเป็นคนภาวนามีศีลมีธรรมเราเป็นภรรยาจะเดือดร้อนไหมเราอยากได้สามีดีหรือสามีไม่ดีเออเอ า, เอาถ้าเราเป็นสามีเราอยากมีภรรยาที่ดีหรือไม่ดี ถ้ากขเข้ า, านั่งภาวนาได้แต่เข้าวัดยังไม่แน่นะเ อ, อเข้าวัดอาจจะไปดูดวงบง้งอาจจะไปอืมไปทําอะไรก็อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้ากขภ า, าวนาเนี่ยเราต้องรีบสนับสนุนลูกคนไหนไอพ่อแม่คนไหนที่เห็นลูกมันเริ่มเขา้าเริ่มคําทําภาวนาเนี่ยทําใจไว้เลยมันส่งเสริมสติปัญญาของมัน ต้องยกนิ้วให้ทุกอย่างมันลงตัวหมดเพราะฉะนั้นความสุขที่บอกไว้ทั้งหกชั้นนะมนุษยสุขเทวสุขชาญสุขวิปัสสนาสุขมรสุขผลสุ ข, ขนิพพานสุขเป็นลําดับชั้นได้จากการภาวนา น, นี่แหละทีนี้เรื่องทรัพเมื่อกี้เพื่อเขาออกอากาศจะได้พูดให้มันจบเมื่อกี้บอกประโยชน์เกิดจากการใช้สอยโภกทรัพย์เลยนะ ของพระอยู่ข้อสุดท้ายนี่เรื่องการให้ทานในทิศหกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าเรานี่ถ้าเรายืนเรายืนขึ้นมันจะมีทิศเบื้องหน้าที่ต้องทําก่อนหหลังจากนั้นเบื้องวาต้องทําก่อนหลังจากนั้นเบื้องหลังต้องทําหลังจากนั้นเบื้องซ้ายหลังจากนั้นเบื้องล่าง หลังจากนั้นเบื้องบนถ้าเรามีเงินอยู่สิบบาทต้องคิดดูนะหนึ่งบาทแรกที่เราจะต้องทำคือเบื้องหน้าคือใครรู้บ้างเรียกปุรัตถิมามทิตคือทิศเบื้องหน้ามานดาบีดาต้องทำก่อนถ้าปล่อยให้พ่อแม่ลำบากอดอดอยากอากเราจะไปสะเวสวยรูงที่ไหนไม่เจริญเพราะนั้นเบื้องหน้าต้องทำก่อน หลังจากนั้นไปเบื้องฝวาคือครูบาอาจารย์เรียกว่าทักขินอาทิตย์หลังจากนั้นไปเบื้องหลังบุตรภรรยาสามีถ้าปล่อยให้คนพวกนี้ละบากก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกเข้าวัดเขาเรียกเงียโอนุทันประธานมาแล้ว พอกลับอยู่บ้านลูกเมียไม่มีใครให้ความคารวเลยเขาไม่ไหวเหมือนกันนะเบื้องหลังหลังจากนั้นเบื้องซ้ายมิตรสหายเพื่อนฝูงหลังจากนั้นลงเบื้องล่างคือใครลูกน้องบริวารเมื่อทำได้เหลือจากตรงนี้จึงขึ้นข้างบนสมณพราหมณ์นี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ แล้วเราก็จะไม่ลำบากอยู่กันสบายโดยอนุภาพแห่งคุณประสีรัตนรัยและบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้จึงรวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยใจส่งผลให้ทุกทุกท่านประสบในสิ่งที่ประเสริฐ มีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระธรรมาสาัมพุทธเจ้าสื่อไปทุกท่านทุกคนเถิด